ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอรพระสูตรที่เรียกว่าพยะเพราวสุมาถึงช่วงที่พระตถาคตาจารย์อธิบายขยายความประเด็นสำคัญสำคั ญ, คญที่ปรากฏอยู่ในพระสูตร มาถึงประเด็นของการแสดงตนเป็นอุบาสกของท่านชานุโสโณอิพรามซึ่งโดยโครงสร้างแล้วเราก็นำมาใช้กันอยู่แม้ในปัจจุบันคำอุบาสกแปลว่าผู้นั่งใกล้ประรัตนา ก, กลบในค้อนี้พระตักร า, าจารย์ท่านตั้งประเด็นขึ้นมาว่า เพื่อความฉลาดในวิธีแสดงตนเป็นอุบาสกจึงควรทราบข้อปรีกย่อยนี้ว่าอุบาสก ค, คือใครเปรตรายจึงเรียกอุบาสกอุบาสกนั้นมีศีลเท่าไหร่มีอาชีพอย่างไรมีวิบัติอย่างไรมีสมบัติอย่างไรคือประเด็นเหล่านี้ตามปกติแล้วก็ไม่ได้มีการศึกษาสอบถานอะไรกัน เพราะว่ามันการเป็นอุปสมบส่วนใหญ่มันเป็นไปตามทะเบียนสมโนครัวเราก็คุ้นเคยมากับวัดแล้วก็กาวัดความธรรมจำศีลก็ไปนเน้นที่ตัวมรรคทายกคือว่านาปสุกเนี่ยเป็นหลัก คนอื่นก็มักจะไม่เคยเรียกตัวเองเป็นอุบาสกหรือเป็นอุบาสิกาทางทางที่เป็นนามที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกพุทธบริษัทของพระองค์และเป็นพระนามที่มีอยู่ตั้งแต่ตอนแรกนะฮะอยู่ตอนตัดสินพไทยที่จะประกาศธรรมแก่ชาวโลกทรงเรียกว่าพุทธบริษัททั้งสี่มาตั้งแต่ต้ตตน เพราะประเด็นแรกที่ว่าอุบาสกคืออะไรท่านก็บอกว่าแต่แกคือหาดคนใดคนหนึ่งพูดถึงใจศาสนาคมแนที่นี้พึงเข้าใจว่าแม่อุบาสิกาก็มีความหมายเช่นเดียวกันแตกต่างกันเพียงเพศต่นั้นเอง ความเป็นอุบาสกหรื อ, อบาสิกาก็ต้องอาศัยการประกาศตนถึงพระศตรศนาคมโดยในยะที่กล่าวมาแล้วในวันก่อนในข้อนี้พระพุทธเจ้าได้รับสั่งแก่ท่านมานามะซึ่งเป็นกษัตริย์ครองกรุงกบิลละพัท ส, สืบต่อมาจากพระเจ้าพัทยะที่เด็ดสเสด็จออกผนวดพระเจ้าพัทยะก็สืบต่อมาจากพระเจ้าสุโธธนะ พระเจ้ามานะนั้นมีศัก์เป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้าคือเป็นลูกพระเจ้าอาเป็นพี่ชายของพระอนุรุตเถระรับสั่งว่าดุกอนมานามะเมื่อใดแลอุบาศกถึงพระพุทธเจ้าพระรับประสง์ว่าเป็นสนะดุกรนมานามะบุคคลย่อมเป็นอุบาศก ด้วยอาการเท่านี้แหละมาความมาจุดเริ่มต้นของการเป็นอุบาสุกบาสิกาก็เริ่มต้นที่การประกาศตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสนะที่พึ่งที่ระดึกโดยวิธีการทั้งสี่วิธีที่กล่าวไว้ในวันก่อนแต่เนื้อหาสาระจริงๆแล้วจะต้องสามารถสัมผัสพระพุทธคุณ ธรรมคุณสังคคุณอยู่ระดับหนึ่งที่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือสัมผัสปัญญาบริสุทธิ์ก ร, รุณาได้ระดับหนึ่งแสดงเห็นถึงอย่างน้อยเราก็สงบจากบาปจากอกุศลเพราะความเป็นอุบาสกไปถูกกำกับด้วยความเป็นผู้มีศีลแล้วก็มีอาชีพที่บริสุทธ อาชีพที่บริสุทธิ์ที่จริงก็คือศีลข้อที่สองที่พัฒนาขึ้นไปเป็นสมาชีพคือเรื่องชีพในทางที่ชอบถ้าจะถามว่าเพราะเหตุใรจึงเรียกว่าอุบาสกท่านบอกว่าได้แก่เพราะเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยจึงอยู่บุคคลนั้นชื่อว่าอุบาสกหรื อ, อบาสิกา เราเข้าไปนั่งกล้พระพุทธเจา้าพระธรรมและพระสงฆ์การนั่งกล้นี้มีความหมายทั้งทางด้านร่างกายแต่ที่สำคัญยิ่งก็คือเน้นไปที่จิตหมายความว่าจิตนั้นใกล้ชิดกับคุณของพระรัตนตรยัยสามารถมองเห็นคุณพระรัตนตรัยในจิต หรือว่าจิตมีคุณของปรัตนาตรายอยู่แสดงภาวะความเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานอยู่ในระดับหนึ่งแน่นอนความสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับจิตใจของประยาบุคคลทั้งหลายส่งนั้นไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีสัมเมนรสัมเมนรีนางสิกขมานาวบาสุบาสิกาผมก็คือกัน หมายความถ้าถึงระดับเป็นประสวดบันขึ้นเนี่ยสภาพจิตก็เป็นเช่นเดียวกันที่จริงสภาพจิตจะเป็นเช่นเดียวกันตั้งแต่ปฐมฌานไปเป็นจิตที่เหมือนกันคือเสมอกันเพราะนันคุณสมบัติที่ท่านถึงได้ปฐมฌานที่อยู่ในเพศใดก็ตามสัมผัสเนี่ยก็สามารถ อธิบายแทนกันได้ถึงในกรณีนี้แม้แต่ระดับของปริยัติศึกษาเช่นว่าพระซึ่งศึกษาเล่าเรียนมาด้วยกันและก็มีความขบรบหนักแน่นในพระพุทธเจ้าพระทามพระสงฆ์ญาติโยมขอให้ช่วยอธิบายขยายความเช่นว่าเรื่องศีห้าเรื่องนรกสวรรค์ เรก็จะพูดเหมือนกันเน่เรียวกว่าพูดแทนกันได้แต่หมายความว่าท่านเหล่านั้นจะต้องเข้าถึงเข้าใจในเรื่องนั้นๆในขณะเดียวกันก็มีความเคารพหนักแน่นในคุณของพระตัตฑไตรไม่ตั้งตัวเองเป็นอาจารย์เสเองคือว่าเสเอง ท่นเราก็เจอบ่อยๆนะลักษณะแบบนี้ในข้อต่อไปท่านยังบอกว่าที่ว่าอุบาสกนั้นมีศีลเป็นอย่างไรศีลอุบาสกที่ศีลหลักจริงๆนะ่คือศีลห้าแต่ห้าข้อนี้ปึงสังเกตว่าอุระสกปณิกามันมาจากสมาทาน เขเรียกว่าสําเร็จโดยการวิรัต์งดเว้นด้วยสมาทานวิรัต์กดงดเว้นด้วยการสมาทานคือรับศีลจากบุคคลอื่นมันเป็นทํานองทั้งสัจวาจาสัจปฏิญาณพระที่ให้ศีลก็รับทราบเมืแ่อบบท่านผู้นี้ขอศีลหประการไปแต่ก็ไม่มีใครตามมากํากับควบคุมอะไร อีกแนวหนึ่งเป็นกุศลลจิตที่ผุดขึ้นในขณะนั้นๆไปเจอกเหตุการณ์ที่ทําให้เข้มแข็งพอก็อาจจะละเมิดศีลเห็นสัตว์ที่ตนัาจจะฆ่าได้แต่ไม่ฆ่ามาเป็นอาหารเห็นทรัพย์ที่มองซ้ายมองขวาไม่เห็นเจ้าของแต่ไม่มีจิตคิดจะหยิบมาเป็นของตน เพราะยิบเป็นของตนมันหยิบด้วยโลภะแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะหยิบด้วยกรุณาอย่างในกรณีนี้พึ่งสังเกตว่าเวลาญาติโยมลืมทรัพย์สินเงินทองไว้ในวัดเนี่ยพระพบเห็นต้องหยิบไว้ด้วยกรุณาแล้วก็รักษาสถานภาพของวัดด้วยนะค เพราะตงเงินเกิดมาหายในวัดแล้วก็สืบทราบไม่ได้เนี่ยยุ่งเหมือนกันพระเองก็อาจจะถูกสงสัยบิดาจึงกำหนดเอาไว้ว่าถ้าของตกอยู่ในอารามเนี่ยภ า, ายในวัดที่พระรับผิดชอบต้องหยิบไปให้เจ้าของเก็บไปให้เจ้าของแม้ของนั้นจะเป็นอกักขปิยะคือพระจัดต้องไม่ได้แต่ในกรณีนี้จัต้องได้เพราะไม่ใช่เป็นของตัวเอง แต่ต่อของอยู่ข้างนอกจะเกิดกรุณาอย่างไงเนี่ยหยิบไม่ได้พระนะฮแต่ถ้าโยมนี่หยิบได้แล้วแต่พระอาจจะไปบอกใครม <sorting well. S 2> <Tu> ันก็เสียงเกินไปแค่เราไม่รู้ว่าคนนั้นจะซื่อสัตย์สุดจะดตขนาดไหนเราบอกไปแล้วก็ไปหยิบเอาเองเราก็ยุ่งกันคือในกรณีเช่นนั้นดีที่สุดก็คือทำเฉยเฉย ตัวนี้เราเจนว่าเจตนาต่างกันคือการลักเนี่ยเขาเรียกว่าเตยยะเจตนาการฆ่าเด็กเขาเรียกว่าทกะเจตนาเจตนาในการฆ่าเจตนาในการรักมีสภาพเปล้อมเอื้ออำนวยให้สามารถประพฤติผิดศีลข้อี่สามได้แต่ไม่ทำพยายามเอาชนะใจตนเองข่มใจตัวเองหันใจตนเอง แม่อ่อนไหวไปกับอารมณ์ยั่วยวนเป็นผู้ที่เรียกว่ารักษาศีลแลว้วก็ศีลรักษาให้ด้วยในขณะเดียวกันก็เจอเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ถ้าโกหกแล้วก็สบายดยีแต่ไม่ยอมโกหกไม่ยอมละเมิดศีลรู้สึกว่าเป็นการไม่เหมาะไม่ควรนะไม่ยอมโกหก มี ใ, ใครขยันขยอให้ดื่มสิ่งให้ดื่มเหล้าให้เสพสิ่งเสพติดทั้งหลายสิ่งเสพติดมันเยอะเหลือเกินนะทุกวันไม่รู้จะนับยังไงแต่ว่าเกณฑ์มาตรฐานในความเป็นอุบาสกคือกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับต่ำเอาไว้ที่เมรัยหมายความว่ามีแอลกอฮอล์ระดับเมรัยขึ้นไปเนี่ยผิดทั้งนั้นว่ากันเป็นกรณีกรณีไป ตรงนี้ทรงบัญญัติไว้ในมหาประเทศสี่สิ่งใดที่ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรแล้วก็สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรแต่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นไม่ควรพวกนี้ไปสงเคราะห์เข้าในสุราเมรัยซึ่งไม่ข้อห้ามว่ไม่ควรดื่มไม่ควรเสพเพรามันจะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่า ดื่มเสพไม่ได้มันเกิดกุศลและจิตที่จะงดเว้นเองแม้จะไม่เคยสมาทานศีลมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันคนบางคนนั้นจิตใจทานประนีแล้วก็มีเหตุผลมีสติปัญญาแหลมคมเห็นว่าอันนี้มันโทษชัดๆเลยงดเว้นไม่ทำ เป็นวิรัติอย่างหนึ่งเขาเรียกสมุทรเสตวิรัติเช่นไม่ฆ่าคนตลอดชีวิตไอ้ น, นี้ค่อยค่อนข้างปฏิบัติง่ายหน่อยนะฮะไม่รับรักทรัพตลอดชีวิตเนี่ยค่อนข้างยากไม่ล่วงละเมิดทางเพศตลอดชีวิตที่จริงค่อนข้างง่ายนะถ้ามีสมนึกดีๆเนี่ยไม่โกหกทาตลอดชีวิตเนี่ยค่อนข้างยาก แต่ก็ไม่สิ่งเสพเสพสิ่งเสพติดตลอดชีวิตที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากๆแต่ว่าคนเป็นมากที่รู้สึกเป็นเรื่องยากเพราะเราก็จริงศีลเหล่าเนี้ท่านก็อธิบายว่าได้แก่เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นห้าอย่างสมจริงดังที่พระพุทธเจ้าสัตไว้ดังนี้ว่าดูก่อนหมานามะ เมื่อได้แล้วบาสกุกบาสิกาเป็นผู้งดเว้นจากปาณาธิบาทจากอาทินาทานจากกามสุมิจจาจารจากมุสาวาทและจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือน้ำเมาอันได้แก่สุราและมีไรดูก่อนมานามะบาสกุกย่อมเป็นผู้มีศีลด้วยเหตุเพียงเท่านี้บาสิกาล่ะบาิกาก็เหมือนกัน เพิ่ีลห้าจริงบอกว่าเป็นหลักของโลกเลยนะคศีลของพระที่นับย่อยออกไปได้ถึงสองพันดร้อยข้อย่อลงมาเป็นสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อย่อลงมาอีกได้สี่ข้อแต่ไปผูกโยงยึดโยงยกับศีลทั้งห้าข้อเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องของชีวิตคนอื่นแล้วก็ชีวิตคนตนเอง เ, เรื่องทรัพย์สินของคนอื่นนะทรัพย์สินตนเองเป็นเรื่องคู่ครองคนอื่นแล้วก็คู่ครองเราตนเองเป็นเรื่องสื่อสารกับบุคคลอื่นตลอดถึงเหตุจำงที่เกิดขึ้นภายในจิตตนเองเออกมาเป็นรูปคนงสัตยาธิฐานนะสัตยาธิฐานเนี่ยมันก็มาปรับที่ใจเราเองแล้วก็ เวลาไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสบติด ต, ต่างๆเนี่ยทั้งของเราและของคนอื่นคันเพราะประเห็นมันเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างปานาธิบาทเนี่ยปานาธิบาทถ้าพูดระดับศีล น, นะพูดระดับศีลเฉย หสัตว์นั้นมีชีวิตสองเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตสเราตั้งจิตคิดจะฆ่าสี่ทำความพยายามตีฆ่า5สัตว์ตายด้วยความพยายามถือว่าขาดศีลในขณะเดียวกันอาทินาธานนั้นทรัพย์นั้นเจ้าของหัวงแหนเรารู้ว่าเจ้าของหัวงแหนเราตั้งจิตคิด จ, จะรักใช้ความพยายามที่จะรักแล้วได้ของนั่นมาด้วยความพยายามประเด็นสําคัญอยู่ที่เจ้าของก็หัวงแหน ้เรามีแต่าจิตคือคิดที่จะรักอะไรเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับการชักผ้าบางสกุลถ้าที่เขาทิ้งไว้ในที่ต่างๆตามร้านตลาดตามป่าอะไรตอวไหนนี่พระไปเห็นข้าวก็จะต้องสอบถามว่านี้เป็นผ้าของใครถ้าไม่มีเจ้าของอาจจะมาอาจะมาจะถือเอาเป็นผ้าบางสกุลนะ ประกาศสามครั้งไม่มีเสียงตอบรับก็แสดงเป็นของที่เขาทิ้งแล้วท่านก็ชักเอาผ้าเหล่านั้นเรียกว่าผ้าบางสกุลพร้อมก็เปล่งคำว่าผ้านี้ไม่มีเจ้าของก็ขอให้ถึงแก่ข้าพเจ้า ทีนี้ตีต่างว่าเจ้าของเขาไม่ได้ยินเน่ะตอนถามแล้วก็วิ่งมาทวงคืนพระไม่เป็นอาบัติเพราะไม่ได้เจตนาที่จะรักแต่ต้องคืนให้เขานะทีนี้การเมตสุิจาจารย์เนี่ยที่จริงมันมีองค์ประกอบอยู่แค่สามอย่างก็คือหนึ่งวัตถุที่ไม่ควรร่วงละเมื่อ มีจิตคิดเะรสญแล้วก็ให้อวัยวะเพศถึงกันเนี่ยเท่า น, นั้นเองเพราะในแง่ของศีลเนี่ยจริงๆมันไม่ถึงกับสำเร็จกิจอะไรหรอกเพียงแต่อวัยวะกระทบกันก็ถ้าเป็นพระก็ขาดจากพระแล้วถ้าศีลก็ขาดศีลแล้วเพราะคําตัวนี้ที่จริงความหมายทางโลกกับความหมายทางวินัยเนี่ยไม่เหมือนกัน บินใเนี่ยแม้แต่กระทบ ก, กันเนี่ยก็เสร็จละแต่ชาวบ้านต้องโวยประอาันเอีกเกยอะเลยเป็นการกำกับควบคุมที่จิตได้อย่างลึกซึง้งในข้อที่สี่ก็เรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงเรารู้เรื่องไม่จริงนะตั้งใจจะพูดเท็จแล้วคนฟังรู้เรื่องก็ถือว่าผิดล ทีนี้สุราเนี่ยคือสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยคือสิ่งนั้นเป็นสิ่งเสพติดอเราเสพเราดื่มเราสูบเข้าไปเนี่ยอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้แต่เจตนาจะเสพมันก็ถือว่าผิดศีลถ้ า, าลองสังเกตว่าเป็นการฝึกจิตให้มีสติสมัจัญญาเลือกรู้เท่าทัน ถึงสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในขณะนั้นนั้นเจนว่าในความเป็นศีลเนี่ยบางครั้งทรงเรียกว่าอริยะกันตศีลคือศีลที่พระ เ, รเจ้าชอบหรือพอใจ ต้องแสดงลักษณะไว้ว่าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่รปรยเป็นไทแก่ตัวเองไม่รักษาศีลด้วยอำนาจตัณหาหรือมานะหรือทิฏฐิไปรักษาไปแล้ววินยูชนยกย่องสรรเสริ ญ, รญแล้วก็จิตเจจิตใจนั้นน้มน้อมข่าวความสงบ ซึ่งก็หมายความว่ามันประนีตเข้าถึงจิตพระสมาธิสังวาตานิกาเนี่ยก็แสดงว่าศีลพัฒนาขึ้นไปเชื่อมกับสมาธิประยายแนวนี้พึงเห็นเช่นศีลข้อที่หนึ่งที่ทรงแสดงว่าอาริยสาวกในโลกนี้งดเว้นจากปานาธิบาต ไม่พกพาอาวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายสรงนี้เป็นศีลมีริมีอตปะตรงนี้เป็นธรรมะแล้วมีใจเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายมีจิตคิดอนุเคราะห์ตัวสัตว์ทั้งหลายซึ่งก็แสดงเห็นว่าจิตมันประณีตเพราะว่า หิริอต ป, ปะนั้นสยบบาปไว้ทั้งหมดเมตตาอินดูกระจัดกิเลสประเภทพยาบาทประเภทเบียดเบียนประเภทราคะมีจิตคิดอนุเคราะห์เป็นอาการของกรุณาที่โดดเด่นขึ้น มีใจิตใจอ่อนไหวต่อความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนของบุคคลอื่นแล้วก็ปรารถนาที่จะเห็นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพอถึงจิตมันอยู่ระดับนี้เนี่ยอย่างอื่นที่ท่งแสดงไว้ว่าเป็นอาชีพของอบาสฑขเป็นการผู้ระดับเวน้นอาชีพบางอาชีพ ว่ายังไงอุบาสกบาสิกาเป็นรารยะสาวกยังไงก็ตามนะถ้ายังอยู่ระดับพระสักกาคามีลงมาก็ต้องประกอบอาชีพแต่พระ อ, อนาคามีกับพระอาหารหันนั้นท่านไม่ประกอบอาชีพแล้วพระอนาคามีก็เหมือนกับรเรียกว่าคารวะสมุนีคือนักบวชอยู่ในวัดแออยู่ที่บ้าน ไม่เกี่ยวข้องเรื่องกรรมคุณทั้งหลายแม้แต่ความคิดเนี่ยพระนันก็ครองชีวิตแบบเรียบง่ายเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้บวชเท่านั้นพระอาชีพที่บาโสขวนเว้นก็ทรงจำแนกแสดงไว้ห้าประการรับสั่งว่าดรูปกรพิกษุทั้งหลาย การค้าขายห้าอย่างเหล่านี้อนุบาสกไม่ควรค้าไม่ควรทำห้าอย่างมีอะไรบ้างคือการค้าขายสัตวุธสารพัดชนิดนะฮะการค้าขายสัตว์อันนี้ก็สารพัดเหมือนกันการค้าขายเนื้อซึ่งก็หมายความว่าเนื้อที่ตนค่าเอง ตะคาในช่วงที่รับต่อกันมาเนี่ยคงไม่ผิดศีลอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นเพียงอาหารตัวเองอย่าไปมีส่วนร่วมในการสั่งค่ากันแล้วกันค้าขายน้ำเมาหมายถึงสิ่งมึนเมาทุกชนิดค้าขายยาพิษสรารพัดทุกเหมือนกันเพราะนั้นกรอบตรงนี้มันก็คือกรอบของสมาชีวะ แต่เป็นการพูดถึงสิ่งที่เราขายก็แสดงว่าการกระทําอย่างนี้มันขาดเมตตาจิตต่อผู้ที่ซื้อแล้วก็ตัวสินค้านั้นเป็นภัยเป็นอันตรายที่ขยายผลไปสู่คนอื่นได้ถือยาพิษไปเนี่อาจจะทําให้คนตายอีกมากเสื้อผุดไปก็อาจจะฆ่าคนได้อีกมากเป็นการสนับสนุน ถ้าเรียกว่ามิจฉาวนิจชาคือการค้าขายในทางที่ผิดมันก็ผิดก็อยู่ที่จิตสำนึกของคนนะฮะคือว่าถ้าคนไม่ค่อยคิดเรื่องบาปบุญขุนโทษอะไรชั่วเมืองผีค่อยดีเมืองคนก็แล้วกันพวกเรานี้ก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องอย่างนี้หรอกเพราะอะไรเพราะเราลองสังเกตว่า ธุรกิจแนวนี้จะให้เงินเยอะแต่ว่ามัเว่ยงการล้างผลาญอย่างที่เคยพูดไ้นะว่าโลกเนี่ยขอเพียงมีสีห้าต่เองไม่ต้องพูดเลยมันยุ่งหรอกปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการเมืองปัญหาการทหารปัญหาความมั่นคงจะสงบแต่โลกก็สัมผัสไม่ได้ใจมันไม่ถึง อาจจะเข้าถึงแต่ว่าใจไม่ถึงมือไม่ถึงมันก็เหมือนกับศาสนาเนี่ยคือเรจะเห็นว่านักการศาสนาทั้งหลายทุกๆศาสนาในโลกนี้ถ้าถามว่าท่านเข้าใจในศาสนานั้นไหมก็บอกว่าเข้าใจส่วนใหญ่แต่ถามว่าใจท่านถึงไหม ท่านเข้าถึงสารัฐรรจริงๆหรือไม่และมือท่านถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระดับบริหารองค์กรทางศาสนาเนี่ยเราหาโอากาสที่คนมือถึงนี่ยากอย่างยกตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยคนที่บุกเบิกสร้างสรรพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ ก็มีสมเด็จพระมหาสมณเาจ้ากรมพระยาวัชิรญาณบุโรรถในการต่อมาก็มีบุคคลเข้ารับผิดชอบในจุดนี้เยอะแต่ว่าไม่มีความคิดในแนวบุกเบิกรเริ่มสร้างสรรพัฒนามีแต่การสืบต่อแล้วก็รักษาแต่ว่าไม่มีความคิดใหม่ๆ ผลศาสนาที่จริงถ้าเราเทียบเคียงเนี่ยตอนนี้ล่าหลังเยอะนะสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เรารู้มันมีเป็นอันมากที่เราไม่สามารถจะสื่อสารติดต่อกับชาวบ้านได้ากกลายเป็นเรื่องที่น่าคิดประการหนึ่งประการต่อไปคือวิปัติ ตามปกติแล้วถ้าพระเนี่ยจะวิบัติอยู่สี่เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือศีลวิบัติวิบัติเพราะละเมิดศีลอาจาระวิบัติวิบัติเพราะความประพฤติปฏิบัติตนเองไม่เหมาะไม่ควรเจนพระเข้าไปใน สถานที่ที่ไม่เหมาะควรเส้นแหล่งเริงรมบอนการพันนันที่สาวแกแม่ไม่ทั้งหลายอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็เสร็จแล้วเสียเสียพระแล้วแล้วก็อาชีวะอาชีวะวิบั ต, ติในบาลีท่านเองทิพถิวิบัติไว้ก่อนคือความเห็นที่วิบัติไม่ยุติ ด, ด้วยธรรมด้วยวินยัยด้วยสัตว์ทุสัตวาว้าวเอง พูดเองคิดเองแต่สินใจเองแต่อารติ ว, วิบัติตรงนี้ละเมียดละไมามากนะตอนระมัดเรามังมากต้องมีฮิริโอตปะเป็นเรือนใจอย่างมากเพราะการได้มาการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ในบางเรื่องเราเรียกว่าแสวงหาได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ควร ในวินัยในลึกซึ้งขนาดว่าพี่สะพายญาติสะพายทั้งหลายนี่นะฮะในวินัยไม่ถือว่าเป็นญาติถ้าเขาไม่ปรนน้าไว้เนี่ยเราไปขอเขาไม่ได้เวลาเนี้ยคือขออุตตรุษก็ <c oughs> ไม่ได้ดูอะไรกันเท่าไหร่หรอกที่ถามอุบาสกในวิบัติเรื่องอะไร เราได้แก่ความบิบัติแห่งศีลและอาชีวะของอุบาสกนั้นอันใดอันนี้เป็นความบิบัติของอุบาสกนั้นนถ้าไปขายอะไรสักอย่างนึงที่ว่าเนี่ยขายยาพิษขาดขายตาดตราบุตรนะขายเนื้อตลอดทั้งจริงขายคนด้วยนะฮะขายขายขายทาด้วย ก็มีอยู่สองเรื่องใหญ่ที่จะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องอาชีวะเมื่ก่อนมีคนมาสอบถามเรื่องกระถินยังไม่ข้าบรรษาได้คนมาถามเรื่องกรถินแล้วก็าถามว่าเจ้าภาพจริงๆในกี่องบอกก็ว่าผ้ากระถินที่จริงมันผืนเดียวเท่นั้นเอง นอกนั้นเขาเรียกบริวารแต่การทอดเวลาเนี้ยเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องกรถิน่นเราเขาสนใจที่บริวารก็สนใจที่เงินเพิ่งก็หาวิธีการต่างๆจะผ้าเป็นสายเป็นสายเป็นสายเป็นสายเป็นชุดเป็นชุดอันนี้เป็นอาชีวะที่ไม่บริสุทธิ์เป็นการแสวงหาปัใจจัยในทางที่ไม่ชอบด้วยธรรมวินัย แต่ว่ามันก็ไปกันใหญ่แล้วนะฮะคือเอายุติอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นกระแสสร้างเป็นกระแสสังคมเขาเกาะกลุ่มกันอะไรก็ไปทำอะไรก็ไม่ได้มันไม่ผิดกฎหมายมันผิดเฉพาะวินัยพระทีนี้มันก็เป็นอะไรล่ะทิฏฐิเสรีภาพเขาอีกก็ ก็ยุ่งเหมือนกันนะสมัยปัจจุบันนี้พูดยากก็ทั้งกล่าวว่าอีกอย่างหนึ่งอุบาสกนั้นเป็นคนจันทานและเร้าหมองด้วยบนทินต่างๆด้วยวิบัติอันใดวิบัตินั้นพึงทราบว่าเป็นวิบัติของอบาศกนั้นๆแล้วก็ความเป็นจันทานเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงกําเนิดเป็นจันทานนะแต่ได้แก่ธรรม หประการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอุบาสะกะรัตนสูตรคือพระสูตรที่ว่าดากก้วยอุบาสิกาแก้วกับอุบาสกจันทานอุบาสิกาจันทานตรงนี้อยู่ในพระสูตรนะฮะพระอาจารย์ท่านยกมาจากพระสูตรคือวัสสกแก้วบาจิกาแก้วนี่คือหนึ่งมีศรัทธา เที่ยมมั่นไม่หวั่นไหวในพระตนไรสองเป็นผู้มีศีลก็คือศีลหประการนี่แหละสามคือไม่ถือมงคลตื่นข่าวแต่เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลสี่ไม่สแสวงหาเขตบุญ น, นอกพระพุทธศาสนาห้าสแสวงหาทักกิณยบุคคลในพระพุทธศาสนานี้ ค, ค, คือหมายความว่าในกรณีที่เราต้องการให้ทานแบบบำเพ็ญบุญนะไม่ได้หมายถึงห้ามสงเครานะห์นศาสนาพุทธไม่ดังเกียจศาสนาอื่นแม้แต่พระเองนะฮะเราก็มีอะไรเราก็แบ่งให้นักบวชในศาสนาอื่นได้เพียงแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งอย่าส่งให้ด้วยมือเพราะพวกนี้มันคิดแตะ ไปคุยโมโอวดโอ้ยพวกสมณาโคดมรกศิษ oh, ย์สมณะสักกายบุตรนี oh. er etheless, ่ประเคนในฉันนั uh, ่นเนี่ยมันขี้โอ่ะมันจะเสียผลในแง่สังคมจิตวิทยาจากบ้านเองหรือยิงข่าวการโอวดก็จะมีความรู้สึกว่าพระเนี่ยมีศักดิ์ต่ำกว่านักบวชเหล่านั้นแล้วในที่สุดมันก็กระตุกกระเทือนอะไรไปเยอะการทำดีเองก็ต้องระมัดระวังนะ เพราฉะนเราจะเห็นว่าการเป็นจันทานก็คือขาดคุณสมบัติเหล่านี้ทีนี้ข้อต่อไปท่านถามว่ามีคุณสมบัติอย่างไงก็ไอ้บิบัติคสมบัติเนี่ยมันก็คือตรงกันข้ามอะสมบัติก็คือสมบูรณ์ด้วยศีลกับสมบูรณ์ในอาชีวะการเลี้ยงชีพในโปร่งใส คือบ้านก่อนเนี่ยไี่จริงเรื่องนานแล้วนะมันมีพรอพวกคุ้นเคยกันเป็นนั ก, กศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมท่านลาออกจากราช ก, การเ พ, อเอพร่ะเหตุผลว่าถูกเรียกเงินเพื่อจะได้ตำแหน่งรองอธิบดีคนใหญ่คนโตเขาบอก เมือพอ อ, อจะให้เท่าไรคนอื่นก็ให้ห้านะแต่สมับรพออนี่ขอสามก็พอเกียรสงสัยว่าอะไรให้ห้ากับสามนี่คืออะไรก็คือเงินล้านนงะห้าล้านกับสามล้านมันเป็นเรื่องหน้าอัปยศอดสูจริงๆเลยมันออกมาขายได้ยังไงมันตำแหน่งของแผ่นดิน ไม่ใช่ตาแหน่งของตัวเองเอันี้คือสิ่งที่น่าอับอายเป็นอาชีพที่ที่น่ารังเกียจเช่นการเล่นพักเล่นพวกของตัวเองเนี่ยมันอาชีพไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะตําแหน่งเหล่านั้นไม่ใช่ตาแหน่งของเธอเงินเดือนไม่ใช่ของเธอเป็นเงินเดือนของแผ่นดินเป็นงบประมาณของแผ่นดิน ถอเไปให้ตอบแทนกันเป็นการส่วนตัวลูกน้องไปรับใช้คุณนายเช้าถึงเย็นถึงเลื่อนสองขั้นภาพหเหล่านี้มิจฉาชีพทั้งนั้นนะแต่เป็นความอปยศอดสูที่คนไม่ได้คิดวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งอะตำแหน่งมันไม่ใช่ของเราเราขายได้อย่างไงอะเราไม่มีสิทธิ์ขาย มีการพูดว่าในวงการศาสนานี่ซื้อซื้อสมณศักดิ์การามาก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ถ้าซื้อก็เป็นเรื่องทุจริตนะฮะเป็นเงินที่ได้มา้วยมิชฉาชีพเป็นการปฏิบัติที่ลวงโลกน่ารังเกียจมากเพราะเราจะเห็นว่าคำอสีนอาชีวะอย่างเดียวโอ้โหเรื่องใหญ่เลย เพราะพวกนี้แหละที่นำไปสู่ปัญหาทุจริตต่างๆนี่เพราะอาชีวะนี่แหละาชีวะคำเดียวแท้ๆนะปัญหาเกิดคอร์รัปชันในลักษณะต่างๆขณะที่ด็อกเตอร์สุมเมศเล่า ว, ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งกับผู้ว่าซ e โอที่เป็นตัวบรยษัปฏิญาณ ก็ไม่เคยได้ยินก็แสดงว่าข่าวคราวในทางไม่ดีเนี่ยเข้าสู่พระเนตรประการเยอะคืออะไรคือศีลมันวิบัติอชีวะมันวิบตัติแต่วคนเราเนี่ยวางมาโ ก, ก็แต่งตัวส ง, งาบางทีก็มีสายสะพายด้วยครับคนก็ต้องคารบพี่นอพี่เทา ไหยกองกิเลสเคลื่อนที่กันเป็นเรื่องที่น่าอับอายนะเห็นไหมพ อ, อเอาเกณฑ์มาตฐานความเป็นอุบาสกก็มาจับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสลดแล้ท่านก็บอกว่าทำห้าประการมีศรัทธาในพระรตรรมตรัยเป็นต้นอนุบาสุบาสกเหล่าใดทำห้าประการนั้นเดี น, นั้นเชื่อสมบัติ อย่าที่พระพุทธเจ้าจัดแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูการภิกษุทั้งหลายบาสกผู้ประกอบปริธรรมห้าอย่างย่อมเป็นอุบาสกแก้วเป็นอุบาอุบาสกดอกปทุมเป็นอุบาสกดอกบุญริกคือดอกปทุมดอกบุญริกเนี่ยเราจะพบว่าพระเจ้ารับสั่งบ่อยเพราะว่าเป็นดอกบัวในสระโบกณีของพระองค์ฮ คือเป็นความสวยงามเป็นดอกบัวเนี่ยมันอุ ป, ปมาได้ว่าแกอยู่ก็โคลนก็ตมอ่ะโคลนตมเพื่อนแกนไม่ได้น้ําตกลงไปในใบบัวก็กลิ้งกลับในดอกบัวก็กลิ้งกลับไม่สามารถจะซึมเข้าไปได้คนเราบางทีอยู่ท่ามกลางความเลวร้ายทั้งหลายนี่เตี้ยแต่ตัวเองไม่ได้เลวร้ายนั้นแสดงว่าเหมือนกแก้ว เอาไปโยนลงบนหลุมอุจาระก็ไม่เปื้อนไม่เหม็นอุจาระไม่สามารถจะซึมลงไปได้แม้แต่ว่าไปกองไ้กลับของหอมของหอมก็ซึมเข้าไปไม่ได้แสดงอะไรว่าแสดงว่าไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายเพราะนั้นจิกอุปมาเป็นเป็นแก้วเป็นดอกประทุมเป็นดอกบุญทริกทํธรรมห้าประการคืออะไร คือเป็นผู้ศรัทธาในป ร, รัตนาฏไกลเป็นผู้มีศีลเป็นคนไม่ถือมงคลตื่นขาวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาทักกิณยบุคคลนอกพระพุทธศาสนานี้แล้วบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนานี้คำว่าบุญในที่นี้ก็คือว่าทำอะไรก็ได้ที่ขัดเกลอกิเลสได้เจือจางเบบางลงไปจากจิตใจ ันบุญส่วนเอกก็คือเจตนาที่เกิดขึ้นทำก็ตามพูดก็ตามคิดก็ตามสามารถชำระล้างความไม่ดีออกไปจากจิตได้หรือลดความเข้มข้นของกิเลสออกไปจากจิตได้เนี่ยการกระทำนั้นก็เรียกว่าบุญมีผลเป็นความสุข อย่างที่พูะเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสุขัเสษตังอธิวัจนะคำว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุข mm hmm. เพรา ะ, ะนั้นประโยคที่ทันชานุโสนีพราหมณ์ได้กล่าวไว้ว่าจงทรงทราบว่าข้าพระองค์เป็นอุบาสกคือเป็นวัยาวจกร วิยาวจากรแปลว่าผู้กระทาการขวนขวายคือผู้แงวรัรใายพระถึงสนาด้วยใจ ส, สนาคมแบบที่ไม่มีศาสนาอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าตลอดเวลาที่ชีวิตของข้าพระองค์ยังเป็นอยู่เพระาะข้าพระองค์ทําแม้นใครๆจะพึงใช้มีดคมตัดศีรษะของข้าพเจ้าใสย ก็จะไม่ค่อจะไม่ขอก่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าประธรรมไม่ใช่ประธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์พรามนั้นถึงสนะด้วยมอบตนอย่างนี้แล้วก็ประนานด้วยปัจจจสีลุกขึ้นถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำประทักศีนเคยเดินเวียนรอบรอบขวาคือมือขวาอยู่ด้านพระพุทธเจ้า วั น, นึกถึงตรงนี้วันก่อนมหาจัยศรีปรทุมนิมน์ไปกล่าวทรรมกถากันนักศึกษาใหม่ก็ได้คุยกับพลเอกเสรีท่านบอกว่าท่านเองเนะี่ยใครมาฆ่าให้ตายให้เปลี่ยนศาสนานี่ท่านไม่เอาอ่ะคือตายเป็นตาย เจตจำนงการตั้งใจเปล่งวา จ, จาออกมาได้อย่างนี้ยิ่งใหญ่นะฮะเราเจนว่าใจจะต้องเข็นทราบซึ้งในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงๆคือซื้อไม่ได้ครูไม่กลัวอย่าลืมนะฮะคนที่มันเปลี่ยนะ่ะยังศ า, ศาสาอิสลามที่เขาเผยแผ่ได้รวดเร็วเนี่ยหรือคอมนิสติเผยแผ่ได้รวดเร็วเนี่ยเพราะคนกลัว ไปเช็คดูประวัติศาสตร์าลิที่ไหนก็ตแต่แล้วในที่สุดก็นักถือด้วยความกลัวแล้วก็ไม่กลับเปลี่ยนเพราะกลัวแต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยเราไม่มีวิธีการอย่างนั้นมันก็เกิดจากจิตสำนึกของคน น, นั้นเองภาพของพระที่ตายไปที่นารันทา แล้วผู้ตีตายไปในอินเดียเนี่ยฮะเป็นภาพที่เมื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเราก็หดหู่ใจนะแต่ว่ามันก็แสดงอะไรให้เห็นหลายอย่างว่าความกลัวซึ่งเป็นหุดอ่อนสุดๆของมนุษย์เนี่ยคนสามารถใช้เป็นเครื่องมือสแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองได้นั้นก็คืออะไรคือครูให้กลัว ควาุรแรงบางอย่างที่เกิดขึ้นว่าใครยอมก่าอยู่ใคยขวากาดตายมันมีคนเป็นมากยอมเพราะกลัวตายแต่ถ้าเราเข้าใจชีวิตว่าจะตายหรือจะอยู่เนี่ยมันก็เราก็ตายอยู่แล้วถ้าเขาฆ่าเราก็ตายเร็วขึ้นแต่เราเศรอทาเชื่อมัน่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมตรัตยจิตใจเราก็ผ่องใสตายเราก็ไบังเกิดในสุคติไม่เห็นเดือดร้อนอะไรไตายเร็วขึ้นมาทนนั้นเอง ผลศรัทธาระดับนี้จึงควรแกการอนุโมทนาแล้วน่าจะยึดถือประพฤติปฏิบัติตามของสาธุชนทั้งหลายต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี